บทนี้จัดแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปแต่พูดถึงเรื่องนิวรณ์ทั้งห้าประการมาโดยลำดับซึ่งอันที่จริงเมื่อพูดถึงกิเลสไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตามกิเลสก็คือกิเลสที่มีพื้นฐานมาจากกิริชา แต่กินการสาขาออกไปเป็น ค, ความโลภความโกรธความหลงแล่จากโลภโกรธหลงนั่นเองก็แต่กินการสาขาออกไปอีกเป็นนั้นมากการเรียกจึงเป็นการเรียกตามอาการที่ปรากฏแก่จิตในขณะนั้นๆซึ่งเป็นการแสดงเห็นว่ากิเลสกับจิตเป็นคนละอย่างกันหรือแม้ธรรมะกับจิตเองก็เป็นคนละอย่างกัน ป ก, กิเลศหรือธรรมะนั้นถ้าเรียกว่าเจตสิกคือสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงจิตแต่งจิตประธำใหจิตแปรผันไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นปัญโภคนี้จึงคล้ายๆกับสีที่ใส่ลงไปในน้ำแม่น้ำจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสก็ตาม แต่น้ำนั้นก็อาจจะมีสีมีกลิ่นมีรสได้เพราะสิ่งที่แปลกปลองเข้ามาแต่สีกลิ่นรสเหล่านั้นก็ไม่ใช่น้ําจึงสามารถแยกออกไปจากน้ําได้น้ําก็คืนก็สู่ความบริสุทธิ์เหมือนเดิมได้จิตใจของบุคคลแยกออกได้จากกิเลกกิเลจึงเกิดขึ้นปรุงจิตในแต่ละขณะตามลักษณะของอารมณ์ ที่มากระทบจิตในขณะนั้นๆัซึ่ ง, งนักศึกษาชนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าไม่ว่าจะเป็นกิเลสหรือธรรมะหรือว่าธรรมะการธรรมก็ตามหรือว่าบุญบาปก็ทำเกิดขึ้นภายในจิตใจคนนั้นจะเกิดขึ้นด้วยเหตุหลายๆอย่างอย่างแรกคือการกระทบอารมณ์ในขณะนั้นๆ จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในจิตอาจจะเป็นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้หรือว่าเกิดกลางๆก็ได้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานจิตที่มีความรับรู้สิ่งนั้นไว้ในฐานะอะไรและความรู้สึกเหล่านั้นมีมากหรือมีน้อยอย่างไรเพราะเราจะพบว่า การกระทบอารมณ์บางอย่างจะมีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกซ้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงขึ้นไปในจิตช่นเดินขึ้นมาที่บันไดอาจจะเจออะไรไม่สบายหูไม่สบายตาหน่อยก็เกิดไม่พอใจในขณะที่ความไม่พอใจเกิดขึ้นนั่นเองก็เจอคนแสดงความเป็นมิตรแสดงความอด น, น้อม จิตก็ไปรับอารมบนั้นความไม่พอใจที่เกิดขึ้นในขณะก่อนก็ค่อยจางไปคลายไปดับไปแล้วมาเกิดผ่านขึ้นมาไปเจอใครไปทำอะไรไม่ดีความรู้สึกไม่พอใจก็เกิดขึ้นได้อีกซึ่งกำลังอาจจะมากหรืออาจจะน้อยเพราะเป็นการเกิดซี่สืบต่อมาจากความปีติความยิ่ดตี พอข้ามมาในข้ามมาในห้องเห็นพระพุทธปฏิมาเห็นเพื่อนพุทธศาสนิกนชนด้วยกันจิตใจก็น้อมเอียงเข้าหาความสงบโดยใส่ศรัทธาความเป็นมิตรสนิทส น, นมความคุ้นเคยตลอดถึงความเยือกเย็นของบรรยากาศต น, นเพราะเราจะเห็นว่าจิตใจเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นกุศลก็ได้เป็นกุศลก็ได้อยากก็ได้กลางก็ได้ละเอียดก็ได้ มนทำให้พบว่ากิเลสซึ่งที่จริงก็มีตัวเดียวคืออวิชชาแต่กิการะคาไปก็เป็น โ, โรคปวดลงก็มีเพียงสามแล้วก็แตกไปได้เรื่อยการเรียกจึงเรียกตามอาการเขาที่ปรากฏแก่จิตในขณะนั้นๆซึ่งจะเห็นได้ว่าอาการมาชั น, นอารมณ์ของกามาชัน ที่เกิดความก้าหนัารักใคร่พอใจยินดีชอบใจในอารมณ์ทั้งหลายแล้วก็ดำมาเดียวนึกตึกนึกนั้นเดิมทีเดียวอารมณ์นั้นอาจจะเกิดวิจิกิจชาหรือเกิดอวิชาคือความไม่รู้มาก่อนแล้วเกิดความเครื่องแกร่งสงสัยพยายามศึกษาสอบสวนค้นควา้าดูก็เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของสิ่งล่านั้นก็เกิดความพอใจจิตใจก็เปลี่ยนจากความไม่รู้มาเป็นความสงสัย เปลี่ยนจากความสงสัยมาเป็นความรู้สถานะของสิ่งนั้นแต่สติปัญญามีไม่มากที่จะคุ้มครองใจที่จะมองปัญหาเหล่านั้นในแง่ของความเป็นจริงความกำลังระครพอใจก็เกิดขึ้นแต่ในจุดนั้นแหละถ้าหากว่ามีธรรมะเกิดขึ้นแทรกซ้อนขึ้นมาจะมีปัญญาเกิดขึ้นเข้ากากับการมฉันปริมาณกรรมฉันก็จะมีไม่มาก แม้จะมีก็จะถูกควบคุมไว้ด้วยเหตุด้วยผลด้วยภูมิธรรสติปัญญาพราก็กลายเป็นอาการทางกายทางวัจาก็บุคคลที่แสดงออกเกี่ยวข้องกับอารมณ์เหลนั้นแต่ว่ามันคุมไม่ได้ไม่ถึงกับไปละเมิดศีลโดยการเรื่องเกินในชีวิตร่างกายในทรัพย์สินในคู่ครองในผลประโยชน์ต่างๆก็เป็คลอื่น แล้วก็แบ่งแยกความคิดได้ในขณะทํางานอะไรก็ถือว่าในขณะนี้เราทํางานสิ่งนี้อยู่ก็ไม่จําเป็นจะต้องไปคิดสิ่งอื่นพอคิดไปก็เท่านั้นเองไม่สามารถจะทําอะไรได้ก็ทําให้ใจิตใจสงบอยู่กับงานที่เราต้องจัดต้องทําได้ซึ่งแสดงเห็นว่าในขณะนี้ที่ยังการมฉันก็มีแต่ว่าสติสมัมปชัญญะมีกําลังมากกว่ า, าอย่างน้อยก็จหยุดกระแสความคิดเหล่านั้นเอาไว้เป็นช่วงๆหรือเป็นขณะ ทำให้ในชีวิตประจำวันของบุคคลสามารถซส ง, งบอยู่กับงานต่างๆที่จัดที่ทำในแต่ละขณะบางทีก็เป็นเวลาหลายๆนาะทีหรืออาจจะเป็นชั่วโมงนั้นจะเห็นถึงร่องรอยการต่อสู้สร้างความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในจิตหรือหน้าของกุศลอกุศลที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆด้วยสายตัวกระตุ้นมาจากข้างนอก ที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายประการที่สองนั้นเป็นเรื่องของจิตที่น้อมนึกที่เหนียวนึกตรึกนึ ก, นกแนวนิวรณ์จะมีลักษณะอย่างนั้นซึ่งหมายความว่าอารมณ์ที่ก่อให้เกิดกา ร, รมฉันก็ดีพยาบาทก็ดีหรือจีน้มพิทะก็ดีอุตจัก็ดีแม้แต่วิจิกิสาก็ดีนั้นที่จริงเป็นอารมณ์ที่ผ่านมาแล้วหรือจิตไปตรึกนึกขึ้นในปัจจุบันหรืออาจจะ เหนียวนึกถึงอารมณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตแล้วจะก่อให้เกิดกรารมฉันก็ได้ก่อให้เกิดพยาบาทก็ได้ก่อให้เกิดความซึ้งซึมน้อยเงาก็ได้ก่อให้เกิดความฟุ้งซ่านลำคาญหรือเปลี่สงสัยก็ได้เพราะในแง่ของการเกิดทางนสายชนจะพบว่าไม่ได้เกิดเรียงลําดับหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้แต่ก็จะเกิดตามเหตุปัจจัยในช่วงหนึ่ง วิจิกิสาจะเกิดในช่วงต่อมากรรมฉันนั้นจะเกิดในช่วงต่อไปอุตจักขุจาจะเกิดหรือในช่วงที่วิจิกิสาเกิดนั่นเองปัญญาเกิดมีกำลังขึ้นมันก็ตัดกระแสความสงสัยได้ปัญญาก็กล้าปรุงจิตแทนในขณะนั้นกิเลสก็ซสงบธรรมะก็มีอิทธิพลเหนือใจเราแต่ปัญญาเองถึงจุดหนึ่งก็ตันคือไปไม่ได้ไปไม่ได้มันเกิดความไม่รู้เกิด ค, ความเกรี้ยวแกร่งสงสยัยเกิดความฟุ้งซ่าน จิตก็ไหลเข้าสู่กระแสกิเลสต่อไปแต่พอถึงจุดหนึ่งปัญญาก็อาจจะขึ้นขึ้นมาไมตาจะเกิดขึ้นมาเพราะสิ่งเหล่านี้ที่จริงแล้วไม่ใช่ว่าจิตเราจะเป็นนิวรณ์อยู่ตลอดหรือว่าจิตเราจะเป็นกุศลได้ตลอดเพียงแต่ว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ในอยู่ได้นานหรืออยู่ได้น้อยแต่ว่าอยู่ได้นานทําให้อาการทางกายทางวิชาซึ่งเป็นภาพสะท้อนของจิต เวลาพูดเวลาทำไปมันก็อยู่ในคันลองของกุศลหรืออกุศลมากถ้าอยู่ในคันลองของอกุศลมากคนนั้นก็กลายเป็นคนไม่ดีถ้าอยู่ในคันลองของกุศลมากคนนั้นก็กลายเป็นคนดีแต่พึงสังเกตว่าที่จริงก็ไม่ใช่ดีได้ร้อยปอรต์คนที่ไม่ดีก็ไม่ใช่ไม่ดีทั้งร้อยเพียงแต่ว่าปริมาณความไม่ดีนั้นมากกว่าความดีหรือปริมาณความดีมากกว่าความไม่ดี ก็มีการกําหนดสถานะของบุคคลดังนั้นขึ้นเรียวกว่ามนุษย์บ้างเรียวกว่าสัตว์ประหบ้างเรียวกวันดิตบ้างเรียวกวนักปราชบ้างเรียกวินโยชนบ้างซึ่งแต่ละอย่างท่านสายชนทั้งหลายลองสังเกตว่าคําที่นํามาเรียกชื่อเหล่านี้แสดงถึงกลุ่มธรรมภายในจิตของบุคคลที่ปรุงจิตของเขาได้นานควบคุมอาการทางกายทางวิชาเอาไว้ให้อยู่ในครงของกุศล นักปราศแสดงถึงปัญญาบัณฑิตแสดงถึงปัญญาสัตว์ปรุษแสดงถึงปัญญาที่ควบคุมอาการทางกายวิชาเอาไว้ก็กลายเป็นสงบกายสงบวิจาก็สงบใจคนเราก็สงบได้สอย่างแค่นั้นเด็กที่จำนวนบาลีท่านแสดงคุณลักษณะของพระอาจารย์เอาไว้ว่าสันตะกายโยสันตะวาโจสันตะมโนคือสงบกายสงบวิจากสงบใจ แม้เราจะพูดในแนวศีลสมาธิปัญญาก็จนสังเกตว่าโดยหลักที่เป็นเนื้อแกนจริงๆศีลก็คือสงบกายกับวัจจามาธิกับปัญญาก็คือสงบใจปัญญาก็ลึกลงไปจนถึงจุดสมบูรณ์แต่นั่นเองความสงบมันก็เกิดขึ้นจากอาการที่จิตถูกปรุงด้วยกิเลสน้อยลงแต่ปรุงด้วยธรรมะสูงขึ้น การเรียกชื่อคนมันก็เรียกตําการของจิตที่เรียกสัตว์ปรลุษแปลพูดสงบสงบจากอะไรสงบจากกิเลสกิเลสอะไรก็กิเลสประเภทนิวรณ์เป็นต้นถ้าอยู่ภายในใจก็ถือกิเลสประเภทนิวนรณ์ถ้าออกมาข้างลา่างข้างนอกก็เป็นกิเลสประเภทที่ร่วงเรียกวก้าวล่วงออกมาข้างนอกหรือ ก, กิเลสที่ล้นออกมาจากจิตก็กลายเป็นอาการตุจจิตทางกายทางวัจาง พ้นการต่อสู้กันภายในจิตระหว่างธรรมะกับอัธรรมระหว่างกิเลสกับธรรมะหรือระหว่างสิ่งที่เป็นบาปกับเป็นบุตรนั้นเป็นการต่อสู้ที่ยืดเดยื้อยาวนานเราก็ต่อสู้กันมาตลอดแต่ละวันนั้นจิตใจไม่ได้อยู่ในจุดใดจุดหนึ่งเพียงแต่ว่าท่านสอนให้พยายามฝึกปลือที่เรียกว่าภาวนาคือรวมกระทำบำเพ็ญ ้วยจุดประสงค์ก็คือต้องการจะลดกลุ่มของกิเลสและเพิ่มกลุ่มของธรรมะทีนี้เมื่อกลุ่มของกิเลสเกิลดลงไปแม้เราจะกระทบอารมณ์จากข้างนอกมันจะก่อให้เกิดความรู้สึกกลางๆด้เฉยๆเพิ่มขึ้นรู้สึกเป็นกุศลเพิ่มขึ้นแม้จะรู้สึกด้วยอำนาจของกิเลสแต่ว่าปริมาณไม่มาก สามารถอดกลัน้นอดทนควบคุมจิตใจของตัวเองไว้ได้อย่าน้อยก็หลายๆเรื่องหลายๆกรณีในการบาตจึงเป็นเรื่องของการขัดเกลาก็ค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปที่บางครั้งทรงสอนให้เห็นเป็นรู ป, ปรธรรมประการขัดเกล็นิวรณ์หรือขดเกล็กิเลตเหมือนกับภาชนะทองเหลืองที่มีสนิม พอพูดถึงสนิมที่พรจาหนะทองเหลืองเราจะเห็นว่าสนิมของพรจาหนะแต่ละปอยนั้นมากน้อยไม่เท่ากันก็สงสอนให้ขัดการขัดไม่จะเล็งผลเลือดพุทธพลาดมันก็สะอาดไปเลยแน่นอนถ้าหากว่าสนิมมันน้อยมันก็ขัดได้เร็วแต่สนนิมมันมากแล้วก็กัดกินลึกเราก็สูญเสียเวลาในการขัดมากแต่พึงสังเกตว่าจุดที่เราขัดนั้นมันเริ่มสะอาดขึ้น สะอาดขึ้นสะอาดขึ้นในทึงจุดหนึ่งมันก็สะอาดเพราะจะสะอาดให้หมดทั้งภาชนะนใบนั้นตามปกติะกจะชงทรงยกอุปมาถาดสำริดคงจะใหญ่กว่าสมควรแล้วขัดไปเรื่อยจุดที่ขัดแล้วมันก็มีความสะอาดขึ้นถ้าเราต้องการจะให้เรียบร้อยสวยงาม เรากัดไปเราก็เล็งดูกัดไปก็เล็งดูกัดไปก็เล็งดูดงดคือตรวจสอบท่านจะเห็นว่าลักษณะเหล่านี้ที่ยริงเราดึงมาจากคุณสมบัติในการทํางานของเราที่ใช้อในชีวิตประจําวันนั่นเองเช่นสมมติว่าเราจะแม้แต่ปรุงอาหารคือปรุงแล้วก็ทดสอบรสดูทดสอบกลิ่นดูแล้วเจ้าพ่ออย่างยิ่งก็ทดสอบรสกา ร, รก็เลยการชิมบางทีก็อาจจะต้องชิมแล้วชิมอีกชิมแล้วชิมอีกจนกว่ารสจะลงตัวตามที่เราต้องการ แม้แต่ทางานบางครั้งก็พิสูจน์โดยการดมกลิ่นกับสิ่งดีดนั้นพิสูจน์โดยการจับต้องสิ่งดอดนั้นพิสูจน์โดยการลิ้มสิ่งดีดนั้นพิสูจน์โดยการฟังสิ่งดอดนั้นก็แสดงว่าลักษณะการพิสูจน์ตรวจสอบนั้นเราก็ใช้กันอยูในการปฏิบัติธรรมานั้นก็มาตรวจสอบดูที่จิตต้องการจะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต้องการจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในจิตซึ่งกหมายความว่า ปริมาณของกิเลสซึ่งเกิดขึ้นจากแรงกระตุ้นมาจากข้างนอกในขณะนั้นๆก็ดีเกิดขึ้นจากการเดียวนึกสึกนึกของบุคคลก็ดีมีน้อยลงหรือช่วงที่กิเลสครอบงําจิตสั้นหลกเช่นเมื่อก่อนพอเกิดโกรธขึ้นมาอาจจะผูกโกรธไปได้ตั้งหลายไร่วันแต่ช่วงนี้มันก็ผูกโกรธน้อยลงไปหน่อย อย่างที่ทรงอุปมาเห็นว่ามันก็เหมือนกระรอยซึ่งเกิดขึ้นในน้ำในดินในหินที่จริงในแง่ความจริงมันก็เป็นรอยแต่ปัญหาสำคัญว่ารอยแต่ละรอยนั้นเกิดขึ้นเป็นรอยจริงแต่ว่าหายไปในช่วงสั้นยาวแตกต่างกันรอยที่เกิดในน้ำมันเกิดรอยแล้วก็หายไปรอยที่เกิดในดินต้องอยู่ระยะช่วงระยะเวลาหนึ่งจะแล้วก็หายไป เรื่องี่เกิดในหินนั้นก็นานก็ยเจะหายไปได้ก็ต้องผ่านการเวลาไปมากเพราะไอ้สิ่งเหล่านี้ที่เป็นรูปธรรมเวลาพุทจะเอามาเรียกกิเลสเรียกธรก ร, กรมะ ก, ก็ตามนะรครับรอยขีดในน้ำคล้ายๆความรู้สึกไม่พอใจรอยเกิดรอยขีดในดินก็เหมือนกับความรู้สึกที่เราเรียกว่าปุกรดเราจะพบว่าความไม่พอใจกับความปุกรดนั้น ครอบงำจิตบุคคลในช่วงสั้นยาแตกต่างกันพวามไม่พอใจบางทีเกิดช่วงขณะแล้วก็กระทบอารมณ์ใหม่ที่เป็นกุศลมก็สลายความรู้สึกเหล่านั้นไปได้พวามไม่พอใจมันก็หายไปแต่ความปู่โกรธนั้นจะอยู่ภายในจิตระยะหนึ่งอาจจะหลายชั่วโมงอาจจะหลายวันแต่คงไม่ใช่หลายเดือนเพราะถ้าหลายเดือนมันก็เป็นความพยาบาดไปแล้วเป็นความอาฆาตไปแล้ว รอยขีดประเภทในหินมันก็เหมือนกับความอาฆาตพยาบาทซึ่งบางครั้งมีการถ่ายทอดผ่า น, ร, นรุ่นคนต่างๆอย่างความอาฆาตพยาบาทเป็นเผ่าพันธุ์ของมนุษยชาติที่มีอยู่ในส่วนต่างๆของโลกระหว่างประเทศกับประเทศระหว่างเผ่าคนกับเผ่าคนระหว่งาวง ก, กลุ่มคนกับกลุ่มชนหรือกลุ่มผลมประโยชน์ต่างๆรตลอดทังศาสนาต่างๆอันิกายต่างๆไปจน เรียนว่ลักษณะเหล่านั้นที่จริงเป็นพยาบาทที่ถ่ายทอดมาเป็นมรดกบาปซึ่งคนรุ่นหลังก็รับสิ่งเดล่านั้นไปเป็นมาของกิเลสมันก็เพิ่มอยู่ภายในจิตมากและโอกาสที่จะธรรมะเข้าสดแทรกก็สดแทกได้น้อยความรุนแรงทางกายก็ ด, ทกกดีทางวาจาก็ดีของบุคคลเหล่านั้นก็จะมากขึ้นเพราะภายในจิตใจเขาสะสมสิ่งที่เป็นกิเลสสะสมจริงที่เป็นอาสวะไปมาก และในขณะเดียวกันในส่วนที่เป็นกุศลธรรมจะมีการเก็บการสะสมการเพิ่มพูนขึ้นเหมือนกันซึ่งเราจะเห็นได้ว่าถ้าปริมาณของกุศลธรรมก็เพิ่มขึ้ น, นกิเลยก็จะมีทิทธิพลต่อใจบุคคนได้น้อยลงก็ทํำนองการขัดเกลาร่างที่เก่าแล้วก็ขัดเกลาไปเรื่อ ย, อยไอ้ส่วนที่เป็นสนิมมันต้องลดลงไป ถึงจุดหนึ่งเนี่ยส่วนที่เป็นสนิมก็จะหมดไปถึงเราจะเห็นว่าขัดไปก็ดูไปขัดไปก็ดูไปขัดไปก็ดูไปหมดไดไ้ดไดไดไอย่างบางครั้งเราใช่ตาดูเราใช้มือลูปครลำด้วยาราบเรียบเสมอกันหรือไม่เพราะแนวเหล่านีออ้บางครั้งอาจจะใช้เช่นชาวนาทดน้ํำข้าวนา ถึงในสมัยปัจจุบันอาจจะมีเครื่องยนต์เข้าไปช่วยแต่ว่าการแบบทดน้ำแบบกังหันจุดน้ำอะไรต่ออไรก็ยังมีอยู่ให้เห็นดูที่เราจะเห็นว่าเป็นการยกน้ำจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงต้องใช้ได้แรงจะใช้ความพยายามการยกจิตที่ตกไปสู่อานาจของกิเลส ข, ขึ้นไปสู่ธรรมะนั่นจะมีลักษณะเช่นเดียวกันทดน้าเหมือนกัน ต้องใช้ด้วยแรงความเพียรพยายามการเวลาหรือเกิดเหตุปัจจัยต่างๆเข้ามาช่วยแล้วก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องด้วยการปฏิบัติจึงจะเกิดผลคือจะได้น้ำเต็มตามที่ตนต้องการหรือบางครั้งทรงอุปมาให้เห็นว่าเหมือนกับช่างถากที่ถากไม้เพื่อทำกลงทำล้อทำดุมทำซี่อะไรต่างๆนะฮะช่างไม้ทั้งหลาย เราจะเห็นได้ว่าจะใสายกบก็ดีจะถักก็ดีจะเลื้อยก็ดีหรือจะตกแต่งจะแกะสลักตัวลายก็ดีนั้นคือทําไปเล็งไปทําไปดูไปไปตรวจสอบไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะลงตัวตามที่เราต้องการในจุดนั้นก็เสร็จแต่กว่าจะเสร็จก็ต้องผ่านขั้นตอนลักษณะการทํางานแนวนี้จะเหมือนกับเรื่องอนะื่นๆที่กล่าวแล้วก็คือว่า เราจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องนั้นและใช้ความเพียรพยายามใช้ความรู้ลงไปในการปฏิบัติภารกิจการงานนั้นๆนนโดยมีสติระ ล, ลึกรู้อยู่ตลอดเพราะแนวเหล่านี้คือแนวสติสมัมปัญญะความเพียรซึ่งเป็นคุณธรรมที่จําเป็นในทุกกรณีไม่ได้เจาะจงไว้เฉพาะการปฏิบัติภารกินทางจิตแต่ว่า การมาเป็นเพียงทางจิตต้องใช้มากเป็นพิเศษเท่านั้นเองหรือบางครั้งทรงอุปมาการเอาลูกศรมันดัดช่างสอนดัดลูกศอนช่างถากถากไม้ชาวนาไข่หน้าข้าวนาเนี่ยสุบมาอย่างนั้นก็จะเห็นภาพลักษณ์อย่างเดียวกันว่าลูกศอนนั้นที่จริงมันมาจากท้นต้นไม้นะแล้วก็นํามาถากมาผ่ามาผ่ามาถากก็ถากไปเรื่อย เป็นรูปเป็นร่างกันมาก่อนแล้วก็เอามาลนไฟตกแตง่งตกแต่งไปเรื่อยๆแล้วก็ลงไฟแล้วก็ดัดแล้วก็เล็งดูลักษณะ น, นี้ทำกันเป็นไม่รู้สักกี่ครั้งแต่ว่าบางคนเขาก็ทำจำนนี้จํานานแล้วจะทำลูกศรได้เร็วขึ้นในแต่ละดอกการบัดบำเพ็ญเพียรทางจิตจะมีลักษณะอย่างนั้นคือจิตเราไม่ตรง ยังไงก็ไม่เคยตรงวิธีต้องการจะให้ตรงก็คือต้องดัดเขาแต่ต้องรู้ไม่ตรงตรงไหนมันโคดตรงไหนมันงอตรงไหนแล้วทำยังไงจึงจะเกิดการตรงขึ้นเพราะแนวการาศาิสานิวรนจึงเป็นกระบวนกระบวนการเรียนการศึกษาที่จะมุ่งไปสู่ผลด้ือการสงบระงับจากนิวรนท้งกากรร ทุกข้อจึงส่งสอนให้ศึกษาสภาพจิตในแต่ละขณะโดยรู้ตามความเป็นจริงว่าจิตของเรานั้นมีนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าเห็นว่าเป็นนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งก็ต้องศึกษาเห็นว่าเมื่อก่อนขณะก่อนช่วงก่อนนิวรณ์ไม่ได้เกิดขึ้น อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าอาจจะมีธรรมะมีความสงบจเย็นมีความเมตตากรุณาอยู่ก็ได้แต่พอดีจิตมันเกิดไปรับอารมณ์หรือเกิดปเป็นเหนี่ยวนอารมณ์เมื่อจะเชื่อมโยงอารมณ์อะไรก็ได้นะลักษณะการเชื่อมโยงอารมณ์เป็นสังเกตว่ามันเกิดได้ทั้งความรักความชังเช่นสมมติเราเห็นเด็กคนหนึ่งรูปร่างน่ารักน่ารักน่าเอ็นดูแต่ถ้าเราเชื่อมเนี่ยบางทีอาจจะเกิดความเกลียดก็ได้อาจจะเกิดความเฉยเฉยก็ได้อาจจะเกิดความรักก็ได้ เช่นสมมติออลูกคนนี้เป็นเพื่อนของเราความรักมันจะบวกคือระหว่างรักลูกด้วยรักเพื่อนกองเราเลยก็ทําให้เด็กคนนั้นน่ารักมากยิ่งขึ้นทั้งๆที่แก่น่ารักเท่าเดิมนั่นแหละแต่ว่าใจเราองค์ก็น่ารักมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันความที่เด็กน่ารักพอเชื่อมไปถึงพ่อแก่ถึงแม่แก่ปรากฏว่าเป็นศัตรู ก, กันในความน่ารักของเด็กมันหมดไปในความรู้สึกของเราทั้งๆที่เด็กก็รูปเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร แต่าการกําหนดสถานะเด็กมันเปลี่ยนแปลงเพราะเราไปเชื่อมเขา้าไปเชื่อมกับพ่อแม่ของเธอซึ่งว่าจริงไม่ได้เกี่ยวอะไรกันแต่ว่าเราไปเชื่อมเพื่อให้เกิดกิเลสและในจุดนี้ถ้ามันปัญญาบรรจักขึ้นมาว่าเรื่องของพ่อแม่ลูกไม่เกี่ยวเด็กไร้เดียงสาเด็กไม่มีส่วนทําให้เราเกิดความเจ็บใจเราก็ตัดแยกปัญญามันเกิดสลายกิเลสในจุดนั้นได้ความรู้สึกไม่พอใจเป็นคนลับผิดหรืออจาจจะเด็กก็ กลายเป็นคนที่น่ารักเพราะแนวแนวหลดนี้เราสังเกตว่าที่จริงเราก็มีมีอยู่ภายในชีวิตประจำวันของเราบางคนก็แยกเด็ดขาดไม่พอใจสามีก็ไม่ได้เกี่ยวกับปัญญาไม่ได้เกี่ยวกับพ่อแม่ของสามีไม่ได้เกี่ยวกับพี่น้องกองสามีเขาคือไม่พอใจเฉพาะคนนั้นเท่านั้นเองสแสดงว่ากิเลสมันมีแต่ว่าไม่ลามป่าไม่กระจายเพราะปัญญาไปตัดกระแสกิเลสไว้ได้ อิทธิพลกิเลมันก็มีน้อยคือขีดวงให้จำกัดเอาไว้ทำนองเส้นนิมหรือทำนองไรที่ว่าเนี่ยมันก็เกิดก็จำกัดวงการเจริญเติบโตของมันไว้วมันก็ขาดเวลาขาดบางขาดง่ายหน่อยเพราะว่าตัวสนิมไม่ได้ลามปามไปในที่ต่างๆลักษณะของจิตใจก็เป็นเช่นนั้นเพราะงั้นในแนวของการประพฤติปฏิบัติทางสายชนทั้งหลายจะสังเกตว่า พระเจ้าจึงทรงกำหนดขั้นตอนต่างๆท า, า, างสภาพแวดล้อมลักษณะทางอารมณ์การเกี่ยวข้องอารมณ์การกําหนดอารมณ์เพื่อว่าตัดกระแสของกิเลสบางอย่างออกไปเ พ, พราะอะไรเพราะกิเลสแต่ละข้อนั้นไม่ใช่ว่าแกเกิดมาโดยลําพังแต่ว่ามีปัจจัยกระตุ้นให้เกิดขึ้นเพราะนั้นเวลาสองก็สอนให้ศึกษาถึงที่มาของนิวรณ์แต่ละข้อ อนิวนค้อนี้ขณะก่อนแกไม่มีขณะนี้แกมีและแกมีมาจากอะไรอะไรเป็นเหตุให้เกิดนิวรณ์ข้อนี้ทีนี้เมื่อศึกษาไปแล้วเราก็มองเห็นโทษทั้งตัวเหตุและก็ตัวอาการของนิวรณ์ศึกษาต่อไปว่านิวรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็่อให้เกิดความ ร, าร้อนใจปรากฏแก่ใจเราก็สัมผัสได้ในขณะนั้นแล้วทํายังไงจึงจะให้นิวรณ์เหล่านี้สงบไปได้ ก็ศึกษาถึงวิธีการได้จะทาให้นิวรณ์เดี๋ยวก็สงบลงไปทีนี้ปัญหาว่ากิเลสที่จึงเมื่อเกิดแล้วมันสงบแล้วมาเกิดแล้วมันดับดับแล้วมันเกิดต่อความร้อนร้อนที่เกิดขึ้นจากแรงกิเลสภายในจิตของบุคคลจึงมีลักษณะซ้ําๆำซากๆเกิดแล้วเกิดอีกเราก็เจอปัญหากับเรื่องเหล่านี้บ่อยๆบางทีวันหนึ่งกิเลสประเภทเดียวมันเกิดขึ้นมันจะกี่ครั้งแต่ละครั้งก็มีปัญหาทุกที ให้เราสังเกตบางทีเนี่ยทะเลาะเรื่องเดียวกันเรื่องนี้ทะเลาะกันอยู่ด้วยหัวมีปัญหาจุดนี้เมียมีปัญหาจุดนี้ลูกมีปัญหาจุดนี้แล้วก็จุดนี้แหละก็ทะเลาะกันบางทีต้องสองสามครั้งบางทีเดือนน่หลายครั้งนั้นก็แสดงว่าเกิดขึ้นซ้าซ้อนกิเลสมันเกิดขึ้นซ้าซ้อ น, อนเกิดแล้วอาการเหมือนเดิมทุกทีแต่ปริมาณของเขามีปริมาณเท่าเดิมนะเท่ากัน อย่ง้นก็มองเห็นโทษว่าะสงบไปแล้วมันก็เคยสงบทํายังไงสงบแล้วจะไม่เกิดอีกเพื่อต้องการให้เกิดความสงบทิฏฐาวรความสุขทิฏฐาวรคุอพระเจ้าก็ทรงแสดงพิธีการที่จะทํากิเลสสงบลงไปในแต่ละระดับคือไม่ได้เอาเฉพาะระดับใดระดับหนึ่งขีดความสามารถของเราไม่เหมือนกันเอาตรงนี้ได้ก็ดีแล้ว คือทำสงบได้ขนาดนี้ก็ดีกว่าไม่สงบไปไหนมันก็เหมือนกับคนไม่กระทำบาปอย่างน้อยก็ดีกว่าคนทําบาปถึงแม้เขาจะไปทําบุญก็ตามก็ดีกว่าคนกระทาบาปเพราะฉะนั้นงคนนั่งเฉยๆกับคนทําความชั่วคนทําความดีแน่นอนถ้าให้เลือกมันเลือกคนทําความดีแต่ถ้าเลือกต่อมามันมีระหว่างคนนั่งเฉยๆกับคนที่ทำความชั่วมันก็ควรจะเลือกคนที้อยู่เฉยๆ แม้ว่าชีวิตมันจะเป็นโมฆะในขณะนั้นมันก็ดีกว่าทุกชีวิตคือชีวิตที่ชั่วก็ทํานองคล้ายกติโบราณนั่นบอกว่ามีลูกชั่วมีลูกตายไม่มีลูกสมมติจริงไม่ดีทั้งสามอย่างแต่ว่าตรงไหนที่มันไม่ดีน้อยกว่าภูมิปัญญาจําเป็นจะต้องเลือกเมื่อจําเป็นจะต้องเลือกเลือกเอาในจุดนั้น จนจะเห็นว่าลูกตายก่อนจะตายก็ต้องผูกพันมีเยื่อใยมีอานไรพอลูกตายไปก็เศร้าสลดสียใจมันก็มีปัญหาลูกชั่วนั้นมีปัญหาตลอดชีวิตขนาดว่านอนตายตาไม่หลับการไม่มีลูกเนี่ยถึงจุดหนึ่งอาจจะดินดน้นรนไ่ร่ำควรแต่ในสุดก็ปรับใจได้อยอมรับความจริงได้ก็ตัดรอนความทุกข์เหลดนั้นออกไปได้ ไม่ดีด้วยกันแต่ก็เลือกเอาการไม่มีโูคดีกว่านี้ก็คือลักษณะการพยายามขัดเกลาวลดสาเหตุของความทุกข์ให้น้อยลงวิธีการที่ส่งสอนจึงส่งสอนังสงสอนหลายระดับแต่รปสังเกตวันนี้วร์ทั้ง5ข้อนั้นไม่ใช่ระดับธรรมดาไม่ใช่กิเลส ธ, ธรรมดาธรรมดาที่จะไปตัดก็ได้กง่า ย, ายทุกข้อจะต้องอาศัยอริยมรรตตัดทั้งนั้น แต่ในขณะกำการปัฏเทานั้นโดยสติสัมชัญญกความเพียรที่บุคคลได้เสริมสร้างขึ้นสามารถลดความรุนแรงของนิวรณ์แต่ละข้อได้ต่อจานี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป